พระธรรมเทศนาแผ่นที่103าลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่16กุมภาพันธ์2560มีชื่อเรื่องว่าสุดล่าฟ้าเขียววันนี้เป็นวันที่พระรหัตวันพระรหัตที่16 กุมภาพันธ์ธกุราด 2,560 พระในวัดของเราขณะนี้46รูปสมณนเณนหนึ่งลงมาชัน33งดชัน13พระของเรา40รองค์วันหวานวันก่อนหลวงพ่อเองได้ไปตรวจดูงานก่อสร้างที่วัดของเราที่นี่ ผลพลอยจากน้ำท่วมเมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกาจากนั้นก็พระครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาศรัท ธ, ธาญาติโยมได้ร่วมกันบุรณนะหลวงพ่อไปตรวจตราดูเมื่อวันวันก่อนก็งา่านก็ไปหลุดหน้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ถ้าจะว่าเป็นเปอร์เซนต์ออกมา ยังเหลืออยู่ประมาณที่สามสิเปอร์เซ็นต์นะหลวงพ่อว่านะยังอยู่ประมาณ30ซงานของเรายัางยังค้างอยู่แก <_ d ata> คิดว่าสิ้นเดือนกุมภาเนี่ยก็คงจะใกล้เข้ามาแล้วแต่ที่หลวงที่แรกหลวงพอว่อบอกสิ้นเดือนกุมภาน่าจะเสร็จได้แต่พอดูแล้วคงจะไม่ละเพราะเหตุไรเพราะ หัวสะพานที่เราข้ามไปเนี่ยมันเวอะวะไปหมดตรงนี้เดีจะทำยากที่สุดที่หลวงพ่อไปดูนะวิศวกะอย่างหลวงพ่อไปดูไปกะดูแลโอ้คงจะทำยากจุดนี้เพราะมันมีน้ำด้วยแล้วก็คงจิตชดลงทุนมากพอสมควรจุดนี้นะนี่อันนี้ก็คือวัดของเรา แล้วก็ควรจะแก้งแจ้งข่าวก็คือเนี่ยโรงเรียนบ้านตาดโรงเรียนประจําหมู่บ้านของเขาแต่ก่อนเมื่อหลวงตายังอยู่เมื่อพ่อยังอยู่พ่อก็ดูแลพวกลูกๆทั้งหลายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็ไม่ได้เข้าไปใกล้ละเพราะหลว ง, งตาท่านดูแลในท้องถิ่นของท่าน แต่เมื่อหลงตาจุดตินิ่พราานไป6ปีลกูกหลานก็บอกว่าโรงเรียนเริ่มสุดโสมมีอยากจะทำป้ายเพราะป้ายโรงเรียนอื่นๆเขาเขาก็มีทำป้ายสมัยใหม่โรงเรียนบ้านตาดยังเป็นป้ายสมัยเก่ายังเขียนด้วยสีอยู่ทำเป็นแผ่นขึ้นมาแล้วก็อยากจะทำให้ดูดีขึ้น และก็พร้อมกันในอาคารเรียนหรือว่าการเป็นอยู่ของเด็กก็รู้สึกว่าชุดโสมก็จะมาปรารพว่าจะทำเป็นการถอดผ้าป่าสามัคคีก็กำหนดกันวันที่22 22กุส่กมพาก็ได้นัดกับพระสงฆ์ที่ได้ร่วมจำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาดาทั้งพี่ทั้งน้อง ทกรุ่นทุกรุ่นที่เห็นบุญคุณพูดง่ายๆเหมือนกับพระสารีบุตรเห็นบุญคุณกับพระราตพามที่ใส่ข้าวเพียงทัพพีเดียวก็เห็นบุญคุณแล้วก็เป็นผู้จัดการเรื่องอุปสมบทให้กับพระราตพามอันนี้พวกน้องนงตั้งหลายที่มาอยู่บ้านตาดพี่น้องชาวบ้านตาดก็คงจะให้ อาหารมากกว่าราตาพามก็มั่งคงจะมากกว่าทพีหนึ่งนะเพราะนั้นพวกพระน้องๆทางหลายหรือพี่น้องประชาชนที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อเนี่ย ท, ที่มาอยู่มาพักผาอาศัยที่วัดป่าบ้านตาดได้กินข้าวน้ำอาหารของพี่น้องปรชาวชาวบ้านตาดได้รับความสะดวกสบาย จากพี่น้องชาวบันตาดก็มาร่วมร่วมกันเนอะวันที่22่ลุ่กุมภาพันธ์2560นนี่แหละไม่กี่วันข้างหน้านะและก็อีกส่วนหนึ่งหลวงพ่อก็ขอแจ้งข่าวกับคณ ะ, ะผู้เกี่ยวข้องอคือวัดปารวมธรรมจะมีการยกพระขึ้นบนศาลา วันที่ยีนะก่อนผ้าป่าวันหนึ่งวันแต่ศาลาหลังนี้ก็สร้างขึ้นมาแล้วทําอะไรยังไม่ได้เพราะว่าพระพุทธรูปยังไม่ได้ขึ้นไปแต่นี้ก็เขาก็ขัดแล่ะพระพุทธรูปมาจากประเทศพมา่าพระพุทธรูปหินยกนะหินขาวนะโอ้ดูแล้วก็สวยงามหน้าตักทั้งสองเมตรนะพร้อมกับพระสาวกทั้งสมองค์ ใหญ่ทุกองค์เลยถ้าจะยกขึ้นธรรมดาคนะงยกไม่ไหวต้องเอาใช้รถเคーนใหญ่รถเคーนใหญ่ยกขึ้นไปขึ้นลงมาทางหลังคาเลยเดี๋ยวนี้หลังคาก็เล ย, ยังไม่เด้มุงเพราะเหตุไรเพราะยังพระยังติดพระอยู่ในวันที่21ประมาณ8ปดโมงฉันจังหารเสร็จแล้วก็คงจะทำพิธียกพระถ้าพูดใดได้ยินเสียงหลวงพ่ออยู่ใกล้ก็ เชิญไปยกพระที่วัดป่ารวมธรรมที่วัดธัรัตนที่วัดธรัตนะนะขึ้นไปปฏิจฐานที่แท่นพระเป็นพระพุธรูปหินข่าหินยกจากประเทศพม่าะนะดูแล้วก็นะเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับพวกเราอ่แล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อก็อยากจะแจ้งข่าวเรื่องเกี่ยวกับ ข่าเสาเข็มหลวงตาที่เขาแจ้งข่าวมาเมื่อวานเนี่ยบอกว่าจะจะถูกปัจจัยเกินแล้วนะหลวงพ่อนะเกินกําหนดวันสาสิบสองล้านแล้วเพราะท่านหลวงพ่อเองเป็นผู้บอกกล่าวทั้งกรุงเทพทั้งสถานที่ต่างๆว่าให้ร่วมกันช่วยกันออกแรงเพื่อสนับสนุนตอกเพื่อเสาเข็มของหลวงตาเรต้องการสามสิบสองล้านแต่บัดนี้ครบแล้วนะ คณะสัทยาญาติโยมลูกหลานทุกคนในเมื่อครบหลวงพ่อเองเป็นผู้ประกาศส่วนหนึ่งหลวงพ่อก็ต้องประกาศให้สัตยาญาติโยมไม่ใช่ว่ามันพอแล้วก็ช้อยอมีแต่อยากได้อีกหลุงพ่อจะแจ้งให้ใทราบแต่ว่ามีความจําเป็นต่อไปไหมเอออนนั้นมีนะ เ, เหมือนกับเราทํางานทุกอย่างมันจะต้องมีการบานปลาย ในบานปลายไม่รู้จะบานไปเท่าไหร่ก็ไม่ทราบละแต่ว่าศรัทธาญาติโยมยังไม่ปิดบัญชีนี่ก็โอนเข้ามาได้ถ้ามันเหลือล่ะมันเหลือก็คงจะผักเข้าเจดีพิพิธภัณฑ์ศาลาลายส่วนอื่นที่พวกเราจะต้องทํามีอีกมากมายฮถ้ามันเหลือจุดนี้แล้วนะคงจะไม่ให้เข้าบัญชีผู้ใดใครผู้หนึ่งหรอก ก็คงจะเข้าบัญชีพระเจดีนั่นแหละนะนนี้ก็ขอแจ้งข่าวให้พวกเราคณะสถา ญ, ญาติโยมได้ทราบนะแล้วก็พร้อมกันนี่หลวงพ่อดิกที่มาท่านมาวันวันก่อนนะั่นนะแต่หลวงพ่อก็ได้พูดกับท่านเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาตเผื่อว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษผมขอร้องนะท่านก็รับปากนะนุ่งพ่อขอ พอใจยินดีถึงยังไงต้องอาศัยท่านเนะพราะท่านเป็นภาษาเพราะท่านเคยพิมพ์หรือว่าถอดภาษาของหลวงตาเป็นประวัติหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านปัญญานะปัญญาวุฒโธนะเป็นหลักนะแต่ท่านเด็กก็คงจะเป็นผู้ช่วยต่อมาเลกปปิิปทาพระธระุดงแล้วก็หนังสืออีกหลายเล่มหนังสือคุณแม่ชีแก้วเนะี่ยก็ หลวงพ่อที่เพียวๆเลยท่านท่านแปลออกมาก็เป็นที่ยอมรับของคู่คนทั้งหลายแต่ว่าภาษาท่านดีดีมากนะเป็นที่ยอมรับของทุ ก, ทกคนที่หลวงพ่อที่ฟั ง, งฟังที่หลวงพอ่อที่สืบสอบดูนะเนี่ยแหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแหะถ้าหากว่าพวกเราได้ทําพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาประวัติของหลวงตาบ้างประวัติหลวงปู่มั่นบั่งธรรมเทศนาำคาคําสอนอันลึกซึ้ง ที่ครวาต์ญาติญาติโยมอาจจะแปลไม่ถูกจุดจุดนั้นหลวงพ่อด็กเนี่ยท่านเคยปฏิบัติมาเคยปฏิบัติธรรมเคยอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตามานานท่านคงจะแปลได้ถูกจุดนะหลวงพ่ออยากจะให้เป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อยังคิดอยู่ว่านะหลวงตาเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นแต่ยังไม่เคยมี ประวัติหลวงปู่มั่นที่เขาเขียนเป็นศีลาจารึกไว้เป็นลักแหลงนี่หละพิพิธภัณฑ์จุดนี้หละหลวงพ่อคิดว่าในห้องหนึ่งนะที่ห้องหลวงในแปดห้องในะห้องหนึ่งที่หลวงตาไปศึกษากับหลวงปู่มั่นน่แหละในจุดนั้นในห้องนั้นแหละควรจะมีประวัติของหลวงปู่มั่นให้พวกเราได้ศึกษาหลวงปู่มั่นเกิดที่ไหน บวชเวลาเท่าไรปฏิบัติธรมที่ไหนๆบ้างจนได้บรรลุธรรมบรรลุที่ไหนอันนี้นี่แหละก็จะเป็นคงจะเป็นภาษาอังกฤษแหละทะ่ส่วนหนึ่งหลวงพอดิก๊กนะคงจะรู้เรื่องในประวัติของหลวงปู่มันด้วยเพราะว่าก่อนที่หลวงตาจะเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ขึ้นมาได้ท่าน เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มัน่นท่านยกย่องจริงๆนะหลวงปู่มั่นนะถือเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านจริงๆถ้าเราไปเห็น อ, องค์หลวงตาไปกราบพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มัน่นที่จังหวัดสกล น, นครแล้วโอ้โหซึ้งใจเพราะเหตุอะไรเพราะว่าเวลาหลวงตาไปกราบกราบหลวงปู่มัน่นกราบเอพอกราบเสร็จแล้วท่านปนมมือเออเนี่ง โอ้หลายนาทีฮะอันนี้คือความลำลึกถึงพระอาจารย์ของท่านอย่างลึกซึ้งเพราะฉนั้นในประวัติของหลวงตาเนี่ยจะมีแต่ประวัติหลวงตาเพียวๆหรือประวัติหลวงปู่มั่นนิดหน่อยก็ไม่น่าจะถูกนะหลวงพ่อว่านะอันนี้พวกเราก็ได้คิดคิดไว้เหมือนกันนะควรจะมีประวัติหลวงปู่มั่นสมควรให้เป็นหลักเพื่อเป็นอาจารย์ขององค์หลวงตาฮ นี่แหละอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันที่เราลืมหูลืมตาได้อย่างนี้ก็เพราะองคหลวงตามหาบัวเป็นผู้แนะนําสั่งสอนพวกเราเราก็ลังลึกถึงองค์หลวงตา ม, มากทีเดียวหลวงตาก็คงจะล้ำลึกถึงหลวงปู่มั่นมากทีเดียวหลวงปู่มั่นก็คงจะล้ำลึกถึงครูบาอาจารย์ของท่านอีกเหมือนกันนั่นนี่แหละพักกรรมฐานโดยมากจะงล้ำลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ มากนะ เ, เพราะว่าเรียนตามพ่อกาะตามครูจริงๆเรื่องจิตตภาวนาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะ เ, เขียนเป็นตำราได้ง่ายๆเขียนตำราก็ได้อยู่แต่มันนอกเหนือจากตำราอีกออในจุดนั้นก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนำเป็นผู้บอกกล่าว น, ะนี่แหละอันนี้คือส่วนหนึ่งแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชน ศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนน่าสรุปแล้วก็คือนี่ยแะจุดหมายจุดประสงค์ของพวกเราแต่สหลวงพ่อทิกท่านก็คงจะกลับออกจากวัดเราวันนี้แหละคงจะไปอีกไม่นา น, ท, านท่านคงจะกลับบ้านเมืองของท่านอเมริกา น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือท่านมาเยี่ยมเยียนชั่วคราวแต่ขอทำให้โอกาสก็ขอในมลปีต่อไปท่านได้มาแล้วก็ขอในมล มาเยี่ยมเยี่ยมพี่น้องประชาชนของเรามาวัดของเรามาวัดของหลวงพอ่อหลวงพ่อยินดีนะข อ, อนหม้มนต์จตหายาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านั่นแหละและเขพร้อมกันเขาขอให้พวกเราทุกๆกคนนะถึงจะอยู่ห่างไกลกันอยู่คนละฟากฟ้าเขาเขียวแต่จิตใจหนึ่งเดียวกันก็เหมือนอยู่ใกล้กันนะแต่ถ้าว่าพวกเราถึงจะอยู่เกาะแขนกันอยู่ แต่จิตใจเป็นคนละทิศทางมีแต่มีแต่ความพยายาัดอาฆาตจองเวีนกันถึงจะอยู่ใกล้กันก็เหมือนกับอยู่ขนฝากฟ้าเขาเขียวอีกเหมือนกันนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะเหมือนปฏิวทัติธรนะถึงจะเกาะหมุนเวียนเปลี่ยนอยู่ในสำนักของพระพุท ธ, ธเจ้าแต่แนความคิดแปกแตกต่างกันมีแต่พยายามแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น กับพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเอาไว้พิบชิงไว้ชิงพิบกันอยู่ตลอดถึงจะอยู่ใกล้กันกับเป็นอริเป็นศัตรูกันเหมือนกับความคิดคนละคนละแห่งกันแต่ลูกศิษย์ลูกหาของพระพุทธเจ้าถึงโมกขาสารีบุตรกัจส ป, ปะห่างไกลอยู่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าแตา่ความาล้ำลึกถึง ก็คือหนึ่งเดียวกับพระพุทธเจ้าเนี่แหละคือสรุปแล้วก็คือผู้มุ่งหวังอัตถ ร, รมไปแนวแถวเดียวกันเหมือนถึงจะอยู่ห่างไกลกันก็เหมือนอยู่ใกล้กันถ้าว่าคนที่มีทิฏฐิไม่ไม่ตรงกันถึงจะอยู่ใกล้กันก็อยู่ห่างไกลกันเพราะห่างไกลด้วยใจแต่หา่าัในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยใกล้ชิดกันด้วยกายเนี่ย ท่านไม่ท่านไม่ถือว่าสำคัญนะท่านไม่ได้ถือว่าสำคัญการห่างการใกล้ชิดกันทางใจนะท่านสำคัญกว่าตัวนามธรรมจุดนั้นแหละสำคัญกว่าถึงจะอยู่ห่างไกลกันแต่นามธรรมมีความเห็นแนวเป็นแถวเป็นแนวแถวเดียวกันก็เหมือนกับญาติธรรมที่อยู่ใกล้ชิดกันแต่ถึงจะอยู่ใกล้ชิดกันทางกาย แต่ใจไปคนละทางไปว่าหา่างไกลกันนี่แหละเมื่อพระพุทธเจ้าเข้าสู่ปรินิพานเทวทัศก็ลงะลงเอเวจีมหานรกนเะนีอยไปคนละทางกันเลยถอยแยกทางกันะเหมือนกับเราวาแขนอย่างงั้นเราจะว่าเราวาแขนไปคนละทางกันนะ่ะมันไม่ไปไม่ไปใกล้กันนะ่ะไปคนละทิศทางนะนี่แหละนี้ก็เหมือนกันนะพวกเรา เป็นพุทธศาสนิกชนอย่างน้อยก็เป็นผู้มีศีลมีทานมีศีลมีภาวนามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจและกัปรารถนาในใจก็ขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกในวัตระสงสารถึงแดนพระนิพพานโดยเร็ ว, รวอย่าได้มาเวียนว่ายตายเกิดในวัตระสงสารตามแนวแถวพ่อแม่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามองค์หลวงตามหาบัวที่ท่าน ได้อัรรมอย่างไรพระอรหันต์ตถาภคในท่านท่านได้อัรรมอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในธรรมอันใดข้าพเจ้าขอมีส่วนในธรรมนั้นขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุก์ตามแนวแถวอริยประเพณีอริยพุทธะนะให้เรามีความตั้งใจมุ่งมุ่งมั่นอย่างนั้นเราจะไปมุ่งหวังในโลกวัตะสงสาร ถ้าว่าเรามุ่งหวังในโลกวัตะสงสารให้หล่ําให้รวยให้สวยให้งามให้มีอาติเลกขลากให้มียศทาบรรดาศักดิ์ให้มีขนยกย่องนับถือเลื่อมใสอันนี้แปลว่าปาถนาในวัตจไม่มีที่สิ้นสุดหมกมุ่นอยู่เหมือนกับอยู่ในขี้ตมขี้โคลนลักษณะอย่างนั้นหละมันจะไม่โผล่ขึ้นมาบนที่สูงได้แต่ถ้าว่าพวกเราปาถนาแล้วว่ามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่น อันไหนคือศีลอันไหนคือธรรมอันไหนคือความถูกต้องอันไหนคือหลักเหตุผลอันไหนคือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ให้เดินตามแนวแถวนั้นแหะตามแนวแถวของพุท ธ, ธนะนี่ที่ท่านแนะนาสั่งสอนบอกกล่าวอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามนั้นถึงจะอยู่ห่างไกลกันก็อยู่ในศีลในธรรมอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยอยู่ในศีลาจารวัตทุดธงขวัตตามที่ พวกเราได้ศึกษาตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่องค์หลวงตาของเราที่ท่านพาดําเนินมาเห็นไหมหลวงตาพาดําเนินมานขนาดหัวไม่โป้งหัวแม่เท้าท่านขาดนะเออเป็นใช้ค่ะว่าเป็นเออเป็นอะไรเป็นแผลเป็นถ้ำอะไรถ้าภาษาบ้านเราเนี่ยวะเออเป็นถ้ำ ที่ว่าเป็นธรรมเป็นโลกประเภทหนึง่งปวดมากนะแต่ลงตาในเฉยในการปรวดของท่านผลที่สุดนะเวลานั่งฉันในบาดนะยังเอาบาดมาไว้ข้างหน้าแล้วก็ยังปุกสันหัวเข่าขึ้นข้างหนึง่งแล้วก็ฉันอาหารเราเห็นแล้วโอ้โหนี่แหละถ้าเราอยากจะดูก็เปิดดูก็ได้ในวีดีโอนะมี เห็นในวิดีโอที่หลวงตาฉันจังหันตอนเช้าเราไม่ได้พูดเอา้เนไม่ได้พูดเล่นเราเห็นในวิดีโอเหมือนกันเราก็ไม่ได้ไปฉันกับองค์หลวงตาหรอกแต่เห็นในวิดีโอแล้วหลวงตาเนี่ยท่านมุ่งมั่นท่านมุงมั่นในหลักธรรมในมุงมั่นในกิ จ, จวัตรข้อวัดยึดแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นจริงๆอย่างหลวงปู่มั่นก็เหมือนกัน เราก็ไม่ได้เกิดในยุคนั้นแต่หลวงปู่ปล่าท่านบอกว่าหลวงปู่มั่นบินธบาตในบ้านไม่ได้ต่อมาเดินไม่ถึงหมู่บ้านให้เขามาใส่ญาติโยมเออท่านจะไปใส่แถวหน้าวัดนะท่านก็ไปบินธบาตหน้าวัดพอบิณธบาตหน้าวัดไม่ได้ไม่ถึงบินธบาตหน้าศาลาเนี่ยแหละแล้วก็ท่านก็ยังฉันในบาท ขนาดนั้นหลวงปู่มันนั่นเป็นผู้นำเป็นผู้นำสิทธิญาณุสิทธิเราจะอดแอร์อดไม่ได้อย่างหลวงตามหาบัวดูดูดแลท่านเป็นผู้นำให้สิทธิญาณุสิทธิดูอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยดูเพราะนั้นพระลูกพระหลานน้องหนุ่งทั้งหลายให้ดูแนวปฏิปทาขององค์หลวงตาพาดาเนินอย่างไรเราก็ถ่ายวิดีโอไว้อยู่ทุก ระดับที่หลวงตาพาดาเนินนี่แหละถ้าพวกเราเดินตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างนั้นเพื่ายึดปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นำมาประพฤติปฏิบัติองค์ไหนได้มากองไหนได้น้อยอย่างครูบาอาจารย์ในลุกยุกหลวงปู่มั่นหลวงปู่ลาดท่านบอกกับหลวงพ่อว่าหลวงตามหาบวัวยึดปฏิปทาของหลวงปู่มั่น ได้มากกว่าทุกองอ่านีน่บางองค์ก็ได้อย่างหนึ่งเพราะกาลเทสะการสถานที่เกี่ยวข้องกับคู่คนกัลดลดย่อนอลดลดหย่อนผ่อนลงไปบ้างแต่องค์หลวงตานี่รู้สึกว่าท่านได้มากกว่าองค์เอินแต่จะได้ทั้งหมดในหลวงปู่มั่นก็เป็นเป็นบางยุคเป็นตามยุคตามการตามสมัย พอเหตุไรพะว่าหลวงปู่มั่นสมัยนะั้นมีแต่พระสามสิกว่าองค์ที่อยู่ก็องหลวงปู่มั่นจากนั้นศรัทธาญาติโยมก็ไม่มีใครมีแต่บ้านน้องผือนาในที่ใจบาดเพราะนั้นเวลาหลวงตามาอยุดบ้านตาดัดศรัทธาญาติโยมมาจากจาตุระเทศมีมากมายบรุงบรรทุมจะให้เหมือนปฏิปทาที่เคร่งครัดเหมือนกับหลวงปู่มั่นอยู่บ้านน้องผือนาใน ก็คงไม่ได้ก็ต้องยดหย่อนผ่อนลงตามการตามกาลเทศะการสถานที่บุคคลนี่แหละอันนี้ก็คือเราต้องคิดเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเราจะทำเถีนตรงยังไงก็เถีนตรงอย่างนั้นมันก็ต้องรู้จักกาลการสถานที่บุคคลควรจะประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสมถูกต้องเป็นธรรมแต่ถึงยังไงก็ต้องมอง แนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาอย่างไรเราต้องมองจุดนั้นเป็นจุดใหญ่นะต่อนนี้ไปพระสูงอนุโมทนาให้ผ่และพรนในทีงหน้า